พธรรมเทศนาแผ่นที่ห8ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11อพฤศจิกายน2556รมีชื่อเรื่องว่านกกระยางหลอกกินปู วันนี้เป็นวันที่ส1บเอ็ดพฤจจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าอห้าสบหกวันนี้รู้สึกว่าโลกช่วงนี้รู้สึกว่าโลกโลกทั้งโลกปั่นป่วนฮตรงพ่อจะพูดเรื่องโลกนะัน่นนะทีนี้นะโลกปั่นป่วนปั่นป่วนยังไงก็คือพายุเข้าฟิลิปปินเมื่อวานเนี่ยแจ้งข่าว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 ปาถนาจะให้เป็นอย่างนั้นแต่มันก็เป็นจะทำยังไงตามไม่จริงก็อย่างหลวงตามหาบัวเคยพูดนะท่านพูดแบบ ล, ยลอยๆลรอท่านพูดเออมนุษย์ของเรานี่นะเห็นแก่ตัวทำไะท่านไม่ได้พูดจริงจังนะถ้าเราพูดจริงจังาก็อยังไงยังไงมนุษย์เห็นแก่ตัวแต่ตัวเองไปฆ่าคนอื่นเขาละเออ กี่ร้อยกี่พันแต่ละวันโรงฆ่าสัตว์เรือกว่าขนปลาขึ้นมาจากทะเลเรื่อง่าง้นปลาขึ้นมาจากทะเลสาบที่ไหนๆก็เถอะแต่คิดออกมาแล้วก็มากมายมหาศาลแต่ละวันแต่พอคนตายเท่านั้นแหะน้อยเดียวถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์เหล่านั้นก็โวยวายโวกเวๆๆๆกันแต่เวลาสัตว์เหล่านั้นตายขึ้นมา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 เออถ้าเราไปมองแต่เราอย่างเดียวเราเสียหายเพียงเท่านี้กับโบกเวกโบยไวเออเสียหายอย่างมากแต่ไปทำคนอื่นเสียหายนะเงียบม่าเปรอะเผยยังดีใจอีกต่างหากอย่างนั้นแปลว่ามนุษย์เห็นแก่ตัวนี่หลวงตาท่านให้แนวความคิดนะแต่ถึงยังไงก็ตามประเทศชาติปานเมืองอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนี่นะ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 มันเป็นเสมอกันหมดอย่างนั้นมันก็ไม่ปน่าจะถูกต้องในการบริหารในการจัดการในการอยู่ร่วมกันถ้าว่าใครทําไม่ทุกก็ต้องลงโทษ ธ, ธรรมดาถ้าว่าใครทําทุกยกย่องสนัเสริญธรรมดาถ้าใครทําพิษก็ต้องลงโทษเป็นธรรมดาพอเหตุไรพอทาพิษนั่นแหละเพราะนั้นก็รู้อยู่แล้วใหญ่มาแล้ว อะไรผิดหรือถูกไม่รู้หรอใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้เหรอผิดหรือถูกหรือว่ากินเหล้าข้อปากดื่มสุราเข้าไปแล้วก็หมูยุกท่านเองก็ทําไปอย่างนั้นใช่ไหมจะได้เมื่อเราก็โง่ามากเหมือนกันนะอก็ไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักชั่วจักดีอีกต่างหากขาดสตินะเพราะฉะนั้นขาดสติใครเป็นคนให้ขาดตัวเองเป็นคนให้ขาดเอาแต่คนให้ขาดก็จับมาลงโทษซะฮะ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 อยู่ในสายตาว่าคุณไปอยู่ที่ไหนให้มารายงานถ้ามากกว่านั้นเขาก็เตือนอย่าทำอีกนัดากนี้ต่อไปจากนั้นก็เป็นคนอิสระทำมาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพจากนั้นพ็ประกอบคุณงามความดีถ้าเราประกอบคุณงามความดีมากเป็นที่ยอมรับของคู่คน คนทั้งหลายเขาก็ยกย่องเฉิดชูบูชาตามระดับขั้นตอนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไปนสถานที่ใดก็คนก็ยกย่องเฉิดชูบูชาเพราอยไร้ปศุทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างในหลวงของเราเนี่ยไปที่ไหนคนก็ยกมือไหว้ท่านสมัยท่านเป็นยังหนุ่มแน่นท่านก็ช่วยประเทศชาติมากมา ก, ม า, กมายมหาศาลเมื่อท่านเท่าเกชราอย่างนี้แล้ว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 ทำหลอกหลอกมันนกนกยางหลอกกินปูอย่างนั้นไม่ได้ะนกยางหลอกกินปูทำยังไงนกยางตัวหนึ่งนะทำท่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมไปจับอยู่ที่กิ่งต้นว่าในริมหนองัอยกับ น, น้องก็พา ย, ยายามง่มวดขึ้นมาเรื่อยๆน้องก็แห้งเรื่อยๆนกกะยางตัว น, นี้ก็ลงไปคุยกับปลกปลานะ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 ถ้าไม่เชื่อข้านะอไปไหมปลาตัวหนึ่งมันก็กลัวตายใช่ไหมอาสาสมัครเออไปได้ผมเป็นอาสาสมัครเอมันก็เลยขาบปลาตัวหนึ่งไปไปมันก็ไปปล่อยลงหนองน้ําใหญ่ฮะไปปล่อยลงน้ำใหโอ้โหน้ําเขียวอตลอดปลอดภัยจากนั้ น, นก็ฆ่าปลาตัวน้ำมาเลยฆ่าบปลาตัวน้ำมามาบอกให้หมูบนีปปลาตัวนั้นก็ บ, บอกให้หมวยโอ้ใช่ใชใช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 มันกล้ามมันใหญ่ต่างหากเนี่ยมันกระหัขนของกายของกายอยู่ในสารน้ำแต่นี่ไอ้นกนกยางนี่ยกิน จ, จ, จะกินปูอีกมันนี่ยปูจะไปไหมมันปลาก็ไปหมดแล้วนะมันปูก็วอยไปไม่ได้เราไม่ไว้ใจอา้าวไ่ไว้ใจยังไงอข้าพระเจ้าพาไปหมดแล้วะปูก็บอกว่าเออถ้าหากว่าถ้าจะให้ข้าพระเจ้าไปเนี่ย ข้าวไปเจ้าจะต้องมีเทคนิคนะเอากล้ามของข้าวไปเจ้าคาบคอท่านก่อนเพราะกลัวมันจะลุดเหมงอนง น, นเออเอาได้ได้ไดลคนกกระยางเสียรู้เลยเรื่บาดนี้จากนั้นก็ตัวหนึ่งก็กล้ามเล็กก็บคาบขาใช่ไหมก้ามใหญ่ก็บคาบคอใช่ไหมล่ะค า, าบคอมันก็ล้วมคอนกกระยางพอดีพดีนะเนี่ยกล้ามปูนะแต่ น, นกกระยางก็พาไปแหละบินบินบินบิ น, บ น, บนไปหมืนเนะพอไปไปถึงไอ้ไอ้ตรงต้นที่มันเคยกินนั่นอะ กินกินเอ้กินปลาเนี่นนะแลมันก็ไปเกาะ อ, อยู่กิ่งไม้ตรงนั้นละ่ะปูมันก็มองลงไปเห็นโอ้โหกระดูกปลามันนกกระยางมันกินตายหมดแล้วตัวเนี้วซะแน่อ่าตายหมดแล้วเนี่ยจากนั้นน่ะ น, นกกระยางตอนนั้นก็รบกวนเอเอปูเามั้นเอายังไงอืมมาที่นี่นะฆ่าที่นี่ น, นก ปูกเลยบอกว่านกกระยางแกกินปลาพวกนั้นทา้งนั้นจังขันไชม่ไหมนกกระยางว่าใช่เนี่ยเอามาขาเนี่ก็จะกินกินปูอีกเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันพอวาทั้นนั้นปูตอนนั้นก็เลยก้ามใหญ่มัคาบคออิบนีบเข้าเลยบาดเนี่ยคาบคอนกกระยางเพอคาบน้องนกกระยางนกกระยางก็ตาเลยตาเลือกเลยบาดเนี่ยเพราะมันปูปูมันก้ามใหญ่ใช่ไหมล่ะคาบคอนกกระยางนกกระยางก็ตาเลือก เออพอตาเลือกเสร็จแล้วนกไอปูก็บอกว่านกกระยางต้องเอาไปปล่อยใส่ลงสะน้ำนะถ้าไม่ปล่อยขาดน้ำฆ่าจะหนีบคอเออให้ตายเลยเียไปไปส่งฆ่าถึงสะสะใหญ่ น, นกกระยางนี่ไม่รู้จะทำยังไงปูนี่ก็ละล ะ, ละข้นมาให้มันหลวมๆสักหน่อยให้นกกระยางหายใจได้ใช่เสร็จแล้วนกกระยางก็ยอมแพ้เเออมันก็พาบินไปไปลง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 แล้วก็มากินอยู่ที่นี่กระดูกเต็มไปหมดใช่ไหมพวกกระยางบอกว่าใชา่อ่นี่แหละสมควรตายพอว่าดท่านั้นปูท่านเลยเหนีบคอนกกระยางเข้าอย่างแรงเลยลกกระยางก็เลยมันร้องเลออกออกอ อ, ก อ, อ, กอมันกลัวตายเลยกกระยางก็เลยร้องออกออกกรทั่งทุกวันนี้ เ, เสียงนกกระยางฟังๆนั้นนะหลบหลัดนะเอูกกระยางมันร้องมันจะร้องออกออกพราปูหนีบคอมันเหมือนันเล แต่ก่อนมันร้องเสียงดังเพราะกว่าดีนนกกรยางนะแต่แต่ปูหนีบคอมันแล้วมันก็เลยร้องเสียงดังอ็อกอกมันร้องร้องตายนะผีสุดก็เลยหนีปูก็เลยหนีบคอมนะันน่คอก็เขาดตายฮะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะอย่าไปทำอะไรทาหลอกหลอกเขาทำให้จริงจังและจริงใจทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่าทำเหมือนกับ น, นกยางหลอกกินปูหลอกกินปลาฮะ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 วันนี้ก่อนเนี่ยขอให้พวกเราส่งพลังใจเข้าสู่พี่น้องประชาชนคนในชาติที่กรุงเทพมหานครอย่าให้ทะเลาะวิวาทกันจนถึงประเทศชาติล่มจมจีพาย เ, เทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งไลยพระสยามเทวาธิราชทั้งไล่ผู้มีอํานาจวาสนาสศักดิ์สิทธิ์ทั่วสา ก, กลโลกขอให้มาคุ้มครองปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์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 อาราพอนอนโมธนาให้พร